นางศิริมานิมีอาชีพยอย่างหนึ่งคือเป็หญิงโสเพณีตามภาษาบาลีตั้งกล่าวว่านักขรศโเพนีแปลว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงที่ทําเมืองให้งามเป็นหญิงขายตัวประเภทศักดิ์สิทธิ์สูงโดยที่เรียกกันว่าเป็นคนชั้นสูงของโสเพณี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 ว่าอีหญิงแพศยยาคนไหนนะบ่นน้ำหมากให้เราองน้ำหมากมาเพื่อนเรามาเพื่อนผ้าของเราแต่ความจริงละองน้ำหมากมาเพื่อนนิดเดียวนี่ถอยหลังไปกี่ชายก็ไม่ทราบกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยบันดาลให้นางเกิดมาในชาติหลังต้องไปหญิงโสเพณีนี่เพระอไปด่านนามพิสุนีเข้า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 ข้าวปลาไม่กินขุนคิดแต่ทิ้งแต่นางสิดิมาปล่อยให้ข้าวบดอยู่ในบาตจกระทั่งแห้งความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทราบเพราะอยู่ในสํานักของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยว่าอะไรลอยเฉยๆทาเสมือนไม่รู้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 ไอ้ข้าวที่แห้งอยู่ในบาดก็ลุกขึ้นล้างบาดเช็ดบาดมีกำลังบังชาดีผมสบงไอ้นุ่งสบงทรงจีวรด้วยดีแล้วก็ตามองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปขั้นไปถึงบรรลันหลวงบรรดาประชาชนนันหลายทราบว่าพระมหากษัตริย์จ ะ, สะเสด็จและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระเดชสาพวกทั้งหมดจะไปที่นั่น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 ในครั้งก่อนๆ น, นั่นเช่าไปหนึ่งคืนต้องเสียพันกหาบนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเช่ายกให้เลยแต่ว่าเอาเงินกหาบนะเท่านั้นคนทั้งสนามหลงเงียบจะมีใครเขาต้องการนั้นเน่าอืดแบบนั้นไม่อืดอย่างเดียวน้ําเหลืองไหลตาปิ้นลิ้นจกุก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 เหตุทั้สี่รายการนี้จะห่างกันไม่ได้จะขาดเสียงใดเสียงหนึ่งไม่ได้เมื่อการธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดขาดความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องลงไปขนานั้นร่างกายของเราก็ชื่อว่ามีโรคในเวลานี้ร่างกายข้งนางสิริมา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 นอกจา ก, กว่ามันจะสุขประกกัแล้วมันก็ไม่มีสภาวะเป็นเราเป็นของเราทางนี้พ่อไหลผู้ ร, ร่างกายเป็นกฎธรรมดายอย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปลุนไปในด้านกลางมีการแตกสลายในที่สุดที่เรียกกันว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้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 รวมทั้งคนที่มาห้อมร้อมดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นปบสุนดาสีทาคาอนาคารหลานเป็นจำนวนมากนี่แหละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพ ร, ระพูทธมีพระภาคเรื่องการพิจารณาศพและสุปสัญญาสําหรับในวันนี้นําบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟัง